จเจรินพรท่านผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่31พฤษ ภ, ภาคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทางานทำการมีเวลาว่างจากภารกิจ หน้าที่การงานต่างๆจึงได้ใช้เวลาว่างนีให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดด้วยการมาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจของพระาศาสนาเพราะอนิสงส์ผลลัพธ์ที่จะได้จากการปฏิบัติภารกิจของพระาศาสนานี้มีคุณค่าประเสริฐเลิศโลก ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลากยศสรรเสริญสุขชนิดต่างๆก็จะไม่มีคุณค่าเท่ากับคุณค่าจากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะ เพรามกรรมสอนของพระพุทธเจ้านี้ออกมาจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงได้พิสูจน์ทั้งเหตุทั้งผลแล้วอย่างครบถ้วนบริบูรณ์และได้ประสบกับสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐสุดที่มนุษย์ในโลกพึงจะได้รับแต่เนื่องจาก ผู้ชี้ทางผู้บอกให้รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ตรงไหนสัตว์โลกจึงถูกความมืดบอดของความหลงหลอกให้ไปหาสิ่งต่างๆที่ไม่มีคุณค่าแทนที่จะหาสิ่งที่มีคุณค่ากลับไปหาสิ่งที่ไม่มีคุณค่า แทนแทนที่จะไปหาเพชรนินจินดากลับไปหาก้อนอิดก้อนกวดก้อนทรายเพราะความหลงนี่เองหลงทางถ้าเดินทางก็หลงทางแทนที่จะไปทิศเหนือก็ไปทางทิศใต้ทางท่แทนที่จะไปทางทิศตะวันออกก็ไปทิศตะวันตกจึงไม่ได้ไปถึง จุดหมายที่พึงปรารถนากันจุดหมายที่พวกเราปรารถนากันก็คือความสุขและความเจริญของจิตใจแต่เรามักจะไปหาความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจกันเสียส่วนใหญ่นี่เป็นอำนาจของความหลงหลอกให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกองจากเป็นดอกบัวนั่นเอง เราจึงต้องเผชิญกับความทุกข์กับความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนอันประเสริฐแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามเมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติตามแล้วเราก็จะพบกับความสุข และความเจริญที่แท้จริงจนถึงความสุขและความเจริญที่สูงสุดที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ได้ไปถึงได้ไปเป็นเจ้าของได้ได้ไดอามาเป็นสมบัติของตนนะอยู่ที่การได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้นําเอาไปปฏิบัติเพราะชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกับการเดินทางจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปนั้นเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเราก็ต้องอาศัยแผนที่หรือผู้นําทางถ้ามีแผนที่หรือมีผู้นําทางเราก็จะสามารถ เดินทางไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วถ้าเราไม่มีแผนที่ไม่มีผู้นําทางเราก็ต้องคลําไปเหมือนคนตาบอดไปผิดบ้างไปถูกบ้างแต่ก็จะไม่มีทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการจะไปกันได้เลยเพราะจุดหมายปลายทางนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่ ต้องมีผู้นำทางต้องมีแผนที่เท่านั้นถึงจะไปได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะมีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดมากพอที่จะคลำไปได้ด้วยตนเองมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีใคร ไปได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏเพียงพระองค์เดียวแล้วมาประกาศสิ่งที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงได้ไปถึงแล้วนำเอามาสั่งสอนผู้อื่นแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะมีผู้ที่สามารถเดินไปถึงที่เดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงได้ ก็มีตั้งแต่สมัยพระพุทธการมาจนถึงปัจจุบันนี้มีพระอาหารหันตสาวกเป็นจานวนมากที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนและจะมีผู้ที่สามารถไปถึงได้เป็นพระอาหารหันได้ไปอยู่เรื่อย ตราบใดที่ยังมีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตราบใดที่ยังมีผู้ที่สนใจศึกษาเริ่มเรียนตราบใดที่ยังมีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอยู่ตราบนั้นความวิเศษเลิศโลกของผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับมาก็ยัง เป็นสมบัติของผู้อื่นได้ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการฟังเทศฟังธรรมต่อการศึกษาเพราะถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาเราก็จะไม่รู้ถ้าเราปฏิบัติไปตามลำพังตนเองแล้ว โอกาสที่เราจะหลงทางก็มีมากและโอกาสที่จะเสียสติกลายเป็นคนบ้าไปก็มีเช่นเดียวกันเพราะทางนี้เป็นทางที่ค่อนข้างที่จะละเอียดลึกลับซับซ้อนถ้าผู้ปฏิบัติไม่ฉลาดจริงไม่เก่งจริงแล้วต้องอาศัยผู้อื่น คอยชี้คอยบอกคอยสอนแต่ไม่ต้องกลัวว่าปฏิบัติตามทางนี้แล้วจะเป็นบ้าจะเสียสติไปนอกจากคนที่ดื้อรั้นคนที่ไม่สนใจที่จะฟังที่จะศึกษาจากครูบาอาจารย์เท่านั้นเป็นคนที่หลงตนเองคิดว่าตนเองเก่งตนเองฉลาด ตนเองสามารถปฏิบัติไปได้โดยลำพังคนเหล่านี้จะเป็นคนที่เสี่ยงต่อควานเป็นบ้าต่อการเสียสติและจะไม่มีทางที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เลยดังนั้นขอให้เรายึดครูบาจารย์ยึดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่นพระไตรปิฎกก็เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นฉบับที่เราจะใช้เป็นหลักยึดได้ลองลงมาก็คือหนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่รู้จริงเห็นจริงแล้วนำเอามาสั่งสอนผู้อื่นเราก็สามารถ ใช้เป็นครูเป็นอาจารย์ได้หรือได้หรือไปหาครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ท่านเทศอบรมสั่งสอนอยู่ก็อาศัยท่านเป็นที่พึ่งได้เป็นผู้นำทางได้หรือแม้แต่เพื่อนปฏิบัติธรรมร่วมกันสหธรรมิกผู้ที่ปฏิบัติอยู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราก็อาศัยท่านเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางได้เราก็มีหลายแบบหลายชนิดด้วยกันขอให้เรามีศึกษาไว้หลายๆแบบหลายๆชนิดด้วยกันก็ดีจะได้มีอะไรมายืนยันกันได้ถ้ามีอะไรที่ผิดหูผิดตาแปลกหูแปลกตา จะได้ไม่หลงตามไปเพราะคูบาอาจารย์หรือนังสือต่างๆนั้นก็มีมากมายหลากหลายมีทั้งที่ถูกต้องแม่นยำมีทั้งที่ไม่ถูกต้องแม่นยำแต่ถ้าเราอ่านหลายๆเล่มลฟังจากหลายๆคนและยึดพระไตรปิฎกเป็นหลักแล้วไม่น่าจะหลงทางพระไตรปิฎกนี้ เป็นเป็นหตหลักยึดได้อย่างร้อยเปอร์เซน์รองลงมาก็คือคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆถ้าเรามีครูบาอาจารย์แล้วเราก็จะมีผู้นำทางเมื่อมีผู้นำทางแล้วขั้นต่อไปก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเดินตามผู้นำทาง เพราะผู้นำทางไม่สามารถเดินไปแทนเราได้ไม่สามารถลากเราไปได้ไม่มีใครจะบังคับให้เราปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้น mm. และการที่จะทําให้เราสามารถบังคับตัวเราเองได้ mm. ก็คือเราต้องฟังเรื่อยๆศึกษาเรื่อยๆ จนเห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนเมื่อเราเห็นคุณค่าแล้วจะไม่ต้องบังคับเพราะจะเกิดฉันทะวิริยะคือความยินดีคือความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามทันทีเหมือนกับเวลาที่เราไปทำงานทำการและเราได้รับเงินเดือน สูงๆเป็นค่าตอบแทนเราจะไม่ขี้เกียจไปทำงานเราจะไม่ขาดงานเราจะอยากไปทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะผลตอบแทนที่เราจะได้รับนั้นมันคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากของเรานั่นเองดังนั้นขอให้เราตั้งใจฟังให้ดีแล้วเราจะ เห็นคุณค่าของพระศาสนาว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นๆได้ในโลกนี้เพราะสิ่งอื่นๆในโลกนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจของเราได้ต่อให้เราเป็นมหาเศรษฐีมีเงินกองเท่าภูเขาเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นมหากรย์ก็ยังต้องถูกความทุกข์หลุมเราทาให้กุ้มอกกุ้มใจ เศร้า อ, อกเศร้าใจแต่ถ้ามีพระธรรมคําสอนอยู่ในใจแล้วความทุกข์จะไม่สามารถเข้ามาเหยียบย่ําได้ไม่ว่าจะเป็นทุกชนิดใดก็ตามทุกที่เกิดจากความแก่ก็ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีความตายก็ดีการพลัดภากจากกันก็ดีจะไม่สามารถมาทําให้จิตใจ เศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจได้เลยนี่คือสิ่งที่ประเสริฐของการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรในโลกนี้ดับทุกข์ใจเราได้มีเงินกองเท่าภูเขาก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้มีสามีมีภรรยาที่น่ารักขนาดไหนก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจให้กับเราได้ มีแต่จะเพิ่มความทุกข์ใจให้มีมากขึ้นถ้าเป็นสามีภรรยาที่น่ารักที่ดีก็ต้องทุกข์กังวลกับเขาต้องห่วงต้องเสียใจเวลาที่เขาเป็นอะไรไปถ้าเจอสามีภรรยาที่ไม่ดีก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งทุกข์เพราะจะต้องคอยทะเลาะวิวาทกันทุกข์เพราะจะต้อง ต่อสู้กันขัดแย้งกันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราเห็นที่เราหลงว่าเป็นความสุขนั้นล้นวนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นสู้ไม่มีอะไรจะดีกว่าแต่เราไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเรายังเห็นว่ามีเงินมากๆดีมีตำแหน่งสูงๆดี มีคนยกย่องสรรเสริญดีมีรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆให้ดูให้ให้ดูให้ฟังให้ได้ดงให้ได้ลิ้มรสให้ได้สัมผัสจะมีความสุขมากแต่หาวรู้ไหมว่ามันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่เพราะมันเป็นเหมือนสิ่งเสพติดท่านเอง เพราะเมื่อเราได้เสพสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะติดกับมันจะต้องเสพมันอยู่เรื่อยๆถ้าเวลาใดไม่ได้เสพมันแล้ว mm hmm. ก็จะกะวนกวยกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือถึงกับตายไปก็มีในกรณีที่ติดติดมากๆเช่นติดยาเสพติดมากๆแล้วไม่ได้เสพ ก็จะทุกจะทนความทุกข์ทรมานใจไม่ได้นี่แหละถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะเห็นว่าความสุขต่างๆในโลกนี้เป็นเหมือนก้อนอิด ก, ก้อนกวดส่วนความสุขของทางพระาศาสนานี้เป็นเหมือนเพชรนินจินดาถึงแม้จะไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองอะไรเลย แต่จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลาไม่หิวไม่อยากไม่ทุกข์ไม่กังวลกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นนี่เป็นสิ่งที่การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมอบให้กับเราได้ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกนี้ที่จะมอบให้กับเราได้เราจึงต้อง ฟังอยู่เรื่อยๆฟังแล้วเราก็ต้องนำเอาไปพิสูจน์เพราะเมื่อเราฟังแล้วเรายังไม่ได้ไปทำเราก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนเหมือนกับเรารู้ว่าบริษัทนี้เขาจ้างให้ค่าจ้างราคาแพงๆราคาสูงๆแต่ถ้าเราไม่ทำงานให้เขาเราสิ้นเดือนจะไปรอรับเงินเดือนจากเขานั้นย่อมไม่ได้ เพราะเราไม่ได้ทํางานให้กับเขานั่นเองเราต้องทํางานให้กับเขาอย่างขมักขมึนอย่างเต็มที่เมื่อถึงเวลาเงินเดือนออกเขาก็จะออกเงินเดือนให้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันรางวัลทางพระศาสนาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเราต้องปฏิบัติอย่างขมักขมึนอย่างใจจดใจจอ่ออย่างอย่างขยันหมั่นเพียร ไม่ขี้เกียจไม่อู้งานเราถึงจะได้ผลตอบแทนเมื่อเราได้รับผลตอบแทนแล้วเราก็จะมีกำลังใจที่จะทำให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนและเมื่อทำมากขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราจะได้ผลตอบแทนอย่างเหลือเฟือ อย่างพอกินพอใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเลยนี่คือหน้าที่ของพวกเราเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเบื้องต้นที่ท่านสอนให้เราทำก็คือให้เราให้ทานให้เราเสียสละให้เราลด<ห> เงินลดทองที่เรามีอยู่ในตัวเราเองที่มันมีมากเกินความจําเป็นนี้ให้เอาไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆจะให้เพื่อปัจจัยสี่ก็ได้จะให้เพื่อการศึกษาก็ได้จะให้เพื่อการรักษาพยาบาลก็ได้สุดแท้แต่จะเห็นว่าสมควร ถ้าเรามีเงินเหลือกินเหลือใช้อย่าเอาไปใช้ในสิ่งที่เป็นโทษกับเราคือเอาไปใช้เอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเอาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะมันจะทำให้เราติดกับการใช้เงินแบบนี้แล้วเราจะไม่มีเงินพอที่จะใช้เห็นอะไรสวยๆงามๆถูกอกถูกใจก็อยากจะได้ ทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นไม่มีมันเราก็อยู่ได้และอยู่สุขกว่าที่มีมันเสียอีกเพราะเมื่อมีมันแล้วก็เงินทองที่มีอยู่ก็ต้องหมดไปเงินทองก็จะไม่พอใช้ก็จะต้องลำบากลำบนต้องดินน้นรนหาเงินมาใช้อีกและก็ต้องไปทําบาปทํากรรมถ้าไม่สามารถหามาได้ ด้วยวิธีสุดเจริต <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราเอาเงินเหลือใช้นี้แทนที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราเอามาช่วยเหลือคนอื่นมันก็จะทำให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มมีความภูมิใจมีความพอใจจะทำให้เราอยู่เฉยๆที่บ้านได้ไม่รู้สึกหมุดกิจ ไม่รู้สึกว่าอยากจะออกไปข้างนอกไปเที่ยวไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆเพราะใจได้รับการดูแลได้รับอาหารใจนั่นเองก็คือการให้ทานนี้แลการช่วยเหลือผู้อื่นการเสียสละนี้เป็นการให้อาหารกับใจเป็นการให้กับตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราอาจจะคิดว่าเราเสียเงินไป แต่สิ่งที่เราได้กลับมานี้มันมีค่ากว่าเงินทองที่เราเสียไปเหมือนกับเวลาที่เราเสียเงินไปกับซื้อของต่างๆเราก็รู้ว่าเราเสียเงินไปแต่เราก็ดีใจพอใจเพราะเราคิดว่าเราได้สิ่งที่ดีกว่ากับกับคืนมาแต่สิ่งที่เราได้จากการซื้อของฟุ่มเฟือยนี้ มันไม่ดีจริงนั่นเองมันดีแต่เฉพาะของที่ได้มาแต่ใจของเรากับเสียลงไปกับเสื่อมลงไปใจของเรากับมีความหิวมีความอยากความต้องการเพิ่มมากขึ้นไม่เชื่อลองไปใช้ดูไปซื้อของวันนี้แล้วพอพรุ่งนี้ไปเดินตามร้านตามห้างอีกเดี๋ยวก็อดอยากที่จะซื้ออีกไปได้ ทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นเลยแต่ก็เห็นของใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็มีของใหม่ๆออกมาล่อตาล่อใจก็อยากจะได้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเงินทองนี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นเอาไปสงเคราะห์ผู้อื่นเราจะไม่คิดอยากจะได้ ข, ของต่างๆที่ฟุ่มเฟือย ถ้าเราจะซื้ออะไรเราก็จะซื้อเฉพาะสิ่งที่จําเป็นถ้าซื้อเสื้อผ้าก็เพราะเสื้อผ้าไม่พอใส่แล้วเสื้อผ้าเก่ามันขาดมันใช้ไม่ได้แล้วเท่านั้นถึงจะซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่ที่จะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆทั้งๆที่มีเสื้อผ้าอยู่เต็มตู้อย่างนี้จะไม่ไปอย่างแน่นอนเพราะรู้ว่าเป็นความหลงเพราะรู้ว่าไม่เป็นประโยชน์ เพราะรู้ว่าเป็นโทษกับจิตใจเพราะจะต้องทำให้จิตใจต้องลาบากต้องไปหาเงินมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ใช้เงินแบบนี้เราใช้ไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ใจใจของเราจะไม่ลาบากแต่ใจของเราจะสบายเพราะจะไม่อยากได้อะไรเห็นอะไรก็จะรู้สึกเฉยๆไม่รู้จะเอาไปทำไม เอาไปเกะกะบ้านเกะกะเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเปล่าๆนี่คือการใช้เงินที่ถูกต้องต้องใช้แบบนี้ใช้เพื่อจิตใจอย่าไปใช้เพื่อกิเลสตัณหาเพราะถ้าใช้เพื่อกิเลสตัณหาแล้วกิเลสตัณหามันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันจะยากมากขึ้นไปเรื่อยๆ เมื่อก่อนนี้เราได้เงินเวลาสิบบาทเราก็พอใจดีอกดีใจต่อมาเราได้วัลาร้อยบาทเราก็ดีอกดีใจแต่เราไม่พอเรายังอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวนี้เราได้วันละพันบาทเราก็ยังไม่พออเราก็ยังอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะความอยากมันโตขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะเราเลี้ยงความอยาก แทนที่เราจะตอนมันจะฆ่ามันจะทำลายมันเรากลับไปเลี้ยงส่งเสริมให้มันจเจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นนมันก็เลยยิ่งสร้างความกดดันให้กับเรามากขึ้นเพราะเราจะต้องไปหาม า, มากขึ้นนั่นเองทั้งทั้งที่เรามีอยู่มากมายกายกองแล้วแต่เราก็ยังอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยเฉยไม่ได้ จะต้องนิ้นลดนอยู่เรื่อยๆนี่เพราะว่าเราใช้เงินไปในทางที่ผิดถ้าเราใช้เงินไปในการเลี้ยงดูกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเราต้องตัดมันเราต้องตอนมันเราต้องทำลายมันด้วยการไม่ใช้ไปตามความโลภตามความอยากจะใช้อะไรให้ใช้ไปตามเหตุตาม ผลตามความจาเป็นถ้ามันจำเป็นถ้าใช้ไปแล้วมันจะเป็นเฉพาะกิจมันจะไม่ลามปายแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นใช้ไปตามอารมณ์ความโลภความอยากแล้วมันจะลามปลายตอนต้นก็คิดว่าจะซื้อเพียงชิ้นเดียวพอซื้อแล้วก็เห็นอีกชิ้นอีกสองชิ้นสชิ้นก็ซื้อมาเพิ่มซื้อตามมาอีก ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจำเป็นเลยแต่ถ้าซื้อด้วยความจำเป็นจะรู้ว่าต้องซื้อกี่ชิ้นและก็จะไม่ซื้อมากไปกว่านั้นเพราะความจำเป็นมันบังคับอยู่ว่ามันมันต้องการเพียงเท่านั้นนั่นเองดังนั้นวิธีที่เราจะกาจัดหรือตัดตอนความโลภความอยากต่างๆได้เราต้องใช้เหตุใช้ผลใช้ความจำเป็น มาเป็นมาตรฐานในการจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของต่างๆเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราใช้อย่างนี้แล้วเราจะมีเงินเหลือใช้เราจะมีความมั่นคงเราจะไม่วิตกกับเรื่องการไม่มีเงินใช้สอยเพราะเราจะหาได้มากกว่าที่เราใช้อยู่เสมอคนเราทุกคนนี้สามารถหาได้มากกว่าที่ใช้กัน ถ้าใช้อย่างมีเหตุมีผลใช้ตามความจำเป็นแต่ทุกวันนี้ที่เราไม่พอใช้ไม่พอกินกันเพราะเราใช้กันกินกันแบบไม่มีเหตุมีผลกินกันแบบตามอารมณ์ใช้แบบตามอารมณ์แทนที่จะใช้หรือกินอย่างสมถะเรียบง่ายเราก็ต้องใช้กินแบบหรูหราฟุ้งเฟอ้อเหอเหอิงฟุ่มเฟอือย อาหารธรรมดามื้อละห้าสิบาทร้อยบาทกินไม่ได้ต้องกินอาหารมื้อละห้าร้อยบาทพันบาทมันถึงจะอิ่มถึงจะมีความสุขแต่ความจริงแล้วร่างกายมันรับอาหารห้สบาทร้อยบาทมันก็อิ่มเหมือนกับรับอาหารห้าร้อยบาทพันบาทแต่กิเลส น, นี่ทั้งหาที่มันไม่อิ่มมันไม่พอถ้ากินข้าวอยู่กับบ้านแล้วมันไม่มีความสุข ถ้าเสียเงินออกไปเสียเงินไปกินนอกบ้านแล้วจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขเพียงประเดียวประดาวเป็นความสุขเหมือนควันไฟที่มันจะจางหายไปอย่างรวดเร็วพอไปกินกลับมาบ้านมันก็หายไปแล้วความสุขแล้วมันก็มีความทุกข์ในรูปแบบของความอยากรอเราอยู่ในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็อยากจะออกไปกินข้างนอกอีกอยู่บ้าน กินข้าวที่บ้านกินไม่ลงกินแล้วไม่มีความสุขนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เงินทองของเราไม่พอใช้เป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องทำงานทาการนินรนตลอดเวลาเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมไปทำผิดกฎหมายเพราะเราใช้เงินมากกว่าที่เราจะหามา ได้โดยวิธีสุดจริญนั่นเองจึงขอให้เราระมัดระวังในเรื่องการจับใจใช้ส้อยเงินทองควรจะใช้ให้ถูกวิธีควรจะใช้เพื่อให้จิตใจเกิดความอิ่มเกิดความสุขเกิดความพอด้วยการเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นเอาไปสงเคราะห์ผู้อื่นนี่คือการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ในเบื้องต้นและยังมีอีกหลายขั้นที่จะต้องปฏิบัติตามต่อมาต่อไปเช่นการรักษาศีลให้บริสุทธิ์เช่นการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเช่นการพิ จ, จารณาตรงสังขารตรงอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นงานที่เราจะต้องขยับทำขึ้นไปตามลำดับต่อไปแต่ในเบื้องต้นนี้ขอให้เรา ทำบุญให้ทานให้ได้เสียก่อนอย่าทําเพื่อสักเพราะสักแต่ว่าทําขอให้ทําออกจากจิตจากใจจริงๆเหมือนกับเราทํางานแล้วเราได้รับผลตอบแทนที่ดีจันใดการทําบุญให้ทานก็ขอให้ทําอย่างนั้นขอให้เราคิดว่าเราทําแล้วเราได้ประโยชน์มากกว่าเงินทองที่เราเสียไปนะถึงขอให้ท่านจง ให้ความสําคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าขอให้ศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วนําเอาไปปฏิบัติแล้วประโยชน์สุขที่ดีที่งานที่เลิศที่ประเสริฐก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการบําเพ็ญประพฤติปฏิบัติ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 แควคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ